คืนแอปเรียกว่าอะไรเป็นอะไรเมื่อวานนี่เป็นดาวเด็ดเลยอ่ะือใครก็พูดถึงแอปแอปแอปนี่เป็นดาวเด็ดเลยเอากลับไปแช่ได้ยังไงวะไปแช่ใจสบายเฉยเลยอ่ะอาการเมื่อคืนี้ยังแช่อยู่ใช่ไหมคะไม่ใายตอนฟังทำเมื่อคืนเนี่ยชัดเจนมากเลยแอปตอบโอ้โหโตตอบเลยชัดเจนมากเลยเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วอ้าวไหนกลับไปแช่เฉยเลยเลยแช่ใจสบายเฉยเลยแช่ใจว่างป่าเบาสบายเฉยเลย เพราเมืม่อคืนแอบแอปลองแบบเหมือนนั่งแล้วแบบอืม อ, อืมรู้แล้วเนี่ยอาการไหนใจแต่ว่าอย่างไงก็ยังแช่อยู่ใช่ไหมค่ะโอหถ้าเสี้ยวในทีเดียวเราไม่เห็นว่าคิดคิดคิดคิดแล้วก็ผู้รู้ไม่ปรากฏเนี่ยเดี้ยวในทีเดียวเนี่ยไม่เห็นความคิดคิดคิดในใจไปเห็นแต่อาการของเวทนาสบายใจไม่สบายใจว่างโลกโปก่งเบสบายเสี้ยวในทีเดียวไม่เห็นว่าอาการของจิตเนี่ยมันจุกจิกุกจิกแต่ผู้รู้ไม่ปรากฏเนี่ยแช่กรเด็ดเลย จำไว้เลยตรงนี้โยนิโสมนัสิกาไว้ในใจเลยถ้าเสี้ยววินาทีเดียวเนี่ยทุกขณะปัจจุบันเนี่ยรู้แต่ใจสบายรู้แต่เวทนาแล้วก็ไม่เห็นว่าอาการของจิตเนี่ยมันจุกยิบจุยิุกยิุกยิบมันคิดติกติดองอะไรวิภาควิจารณมันเห็นอะไรมันกมาวิภาควิจารณ์ได้ยินสัมผัสอะไรมันก็มาวิพาควิจาร์วิจารณ์ขนาดใจมันสบายมันก็มาคิดติดตองมันไม่สบายก็คิดติดตองมันว่ามันนิ่งมันสงบมันกคิดติดตอง มันก็าาามา ว, วิภาควิจารณ so ์อ่ะใจสงบมันก็มาวิภาควิจารณ์โอ้เขานี่สงบมากเลยใจสบายมากไม่เคยใจสบายแบบนี้เลยโอ้โหเขานี้มันเบาสบายมากเลยเบาสบายมันก็พูดไม่เบาสบายมันก็พูดเฮ้ยทำไม่งุ to to so นหงิดแบบนี้เฮ้แต่มันฟุ้งซ่านแบบนี้มันเคยสงบแล้วทำไมไปเจอสงบก็พูดจงงงงงงงตลอดเวลาในใจเราเนี่ยแหนะไม่มีหรอกไม่มีที่จะหยุดยี่สิบสี่ชั่วโมงยกเว้นเราหลับไปมันเลยไม่รู้มันพูดตลอดชีวิตเนี่ยในใจเราเนี่ย มันบ่นมันพูดอยู่คนเดียวตลอดเวลาเลยมันพากมันพูดตลอดเวลาเสี้ยววินาทีเดียวจะไม่เห็นตัวเราพูดตัวเราภาพเอาอะไรมาพากในใจเอามาพูดอยู่ในใจนะแช่แล้วก็ให้มันเห็นว่ามันวิพาววิจารอะไรก็เรื่องของมันไปเถอะอันนี้ใช่ไหมคะก็คือก็ก็แค่ก็แค่เห็นว่ามันเออมันอยากวิพาววิจารณอะไรก็ให้วิพาววิจาร์ไปคือคือแอบด้วยความที้ว่าเหมือนเหมือนที่คุณจับพระอาจารย์เมื่อวานเนี่ยค่ะคือ อ่ะวเข้าใจตรงนี้ป่าอาจารย์สอนแล้วก็ลองเหมือนเหมือนนึกแบบเหมือนคือพยายามคิดคําสอนของอาจารย์ว่าเนี่ยเห็นพระอาจารย์แต่ไม่เห็นตัวเองเห็นพระอาจารย์แต่ไม่เห็นตัวเองอย่างเงี้ยแล้วก็เลยเห็นลมหายใจเห็นก็เห็นแค่ลมหายใจแต่ไม่ได้รู้ว่าเนี่ยเราเราเป็นผู้ไปรู้กับลมหายใจตรงนั้นอะมันรู้แต่ลมหายใจมันไม่รู้นี่สิมันไม่รู้จิตคิดสิไม่แช่เลย ไปนั่งดูเราไม่ใจอยู่เฉยๆเราไม่เห็นจิตอคิดเนี่ยไม่รู้กายรู้จิตเนี่ยไปดูแต่เราไม่ใจแช่เลยเนี่ยไม่เห็นเพราะไม่เห็นจิติคิดแล้วก็มองไม่ออกว่าเราคิดหรือว่ารู้รู้ความคิดเราเป็นไปคนคิดหรือรู้จิตรู้เนี่ยรู้ทำอารมณ์ที่กําลังคิดเราเป็นคนคิดหรือรู้ทำอารมณ์ที่กําลังคิดรู้จิตที่มันกําลังคิดหรือเราเป็นคนคิดเนี่ยเราไม่ได้สังเกตเห็นตรงเนี้ยเนี่ยตอนสังเกตว่าเราเป็นไปคนคิดหรือว่าเนี่ย มันมีแต่จิตที่คิดแต่ไม่มีผู้รู้ <c oughs> มีแต่จิตที่คิดใจแต่ตัวตนของผู้รู้ไม่มีเออก็เห็นอยู่อย่างเงี้ยเห็นได้ได้ได้ใจของเราเนี่ยว่าเออมันมีแต่คิดคิดคิดคิดยุยยุ่งยุ่ในใจแต่ตัวตนของผู้รู้ไม่มีหรือว่าเราหลงเป็นคนคิดแล้วเออให้อ่านในใจตรงนี้ให้ขาดอยู่ตลอดเวลาเรียวกว่าโยนิโสมนาสิกาคืออ่านใจให้ขาดตัวเองตลอดเวลาว่าเนี่ยเนนี่ยหลงเป็นคนคิดหรือว่ามันมีความคิดอยู่ได้แต่ แต่ไม่มีตัวตนของผู้ผู้ไปรู้ความคิดอ้าวอยู่ๆเอาตัวเราไปคิดอ้าวไหนเป็นผู้รู้อยู่ดีๆเอาตัวเราไปคิดอีกแล้วไม่ว่าเป็นผู้รู้ต้องเห็นอยู่อย่างเงี้ยตลอดเวลาเนี่ยเช่นว่าตอนนี้ยค่ะเหม็นลงตาอยู่แล้วเห็นว่าลงตามีคนมานวดอยู่อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เเห็นลงตามีคนมานวดใหอ้อืมเห็นละแต่ในใจก็อือลงตาจะจากกาักะตีปะเนี่ย ก็เห็นอย่างเงี้ยแล้วก็เห็นว่าเออมันมีแต่ความคิดแต่ก็ต้องเห็นไปอีกนะว่าเออมันมีแต่ความคิดแต่ตัวตนของผู้รู้ไม่มีก็เหมือนกับว่ามีแต่เห็นล้ตาแต่ไม่มีตัวตนของผู้รู้คือได้แต่มีลงตาอยู่แล้วก็มีเสียงลงตาผู้แต่ตัวตนของผู้รู้ไม่มีแล้วก็ไปเทียบกับประตูใจคือมันมีความคิดอยู่แต่ตัวตนของผู้รู้ความคิดไม่มีมันต้องเทียบกันอย่างเงี้ยคือเห็นจิตที่มันคิดเหมือนกับ รู้รูปทางประตูตารู้เสียงทางประตูหูเห็นธรรมารมเนี่ยรู้ธรรมารมทางประตูใจรู้จิตที่คิดเหมือนดังเห็นรูปทางประตูตาแล้วก็ได้ยินเสียงทางประตูหูไม่ปรากฏตัวตนของผู้รู้ต้องเห็นอยู่อย่างเงี้ยตลอดเวลาว่ามันใช่หรือไม่ใช่เนี่ยคือโยนิโสมนัสติการคือใช่ไม่ใช่ว่าแบบเนี้ยอาเอาไม่ใช่แล้วเว้ยแบบนี้ผิดอีกแล้วเอาเอาตัวเราไปเป็นตัวคิดซะแล้วไม่เป็นรู้ซะแล้วมันไม่ได้อะ เห็นธรรมอารมณ์เห็นจิตที่คิดเหมือนดังเห็นรูปเนี่ยแล้วเห็นรูปที่ได้ตาก็ได้ยินเสียงได้หูเนี่ยมันคือปรากฏแต่รูปแต่ไม่ปรากฏตัวตนของผู้รู้ได้ยินเสียงปรากฏแต่เสียงไม่ปรากฏตัวตนของผู้ได้ยินเสียงแล้วก็รู้ความคิดรู้อาการรู้ความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ภายในใจเนี่ยมีแต่ความรู้สึกนึกคิดอารมณ์โดยเฉพาะความคิดแต่คิดกกิ๊กกิ๊กกิ๊กกิ๊กกิ๊กกิ๊กกิ๊กกิ๊กกิ๊กกิ๊อกิกกิ๊กกิ๊กกิ๊กกิ๊กกิ๊ มีการวงจิตติยุกยิกยิบยิบติคิดตคิดตองคิดตนองเรื่องอะไรต่างๆแต่ไม่ปรากฏตัวตนของผู้รู้หรือว่าเอ๊ะอยู่ๆอ้าวเราไปคนนั่งคิดหายเหตุผลนั่งวิเคราะห์วิจาร์วิจัยอะอย่างนี้เปล่าอย่างนั้นหรือเปล่าอีนี้ใช่หรือไม่ใช่กลายเป็นโยนนิสมตริการคือเอาเราไปคิดเนี่ยแต่อย่างเงี้มันหลงคิดเราก็ต้องโยนนิสโตริการว่าเออก็มันเป็นรู้แล้วมัไม่เป็นคิดล่ะมันเป็นคิดไม่ได้มันเป็นรู้อย่างเดียวรู้มันคิดไม่ได้ไม่ปรากฏตัวตน แต่ตะคิดแต่เป็นจริงที่ถูกรู่อ้าวทำไมเราเผอไปเป็นคนคิดเองที่เลือเนี่ยเอ๊ะมันเป็นไปเป็นอย่างงี้ว่ากับหัวกับหางอยู่เรื่อยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเรียกประโยน์นิสสมนิการไม่ใช่โยนิสโสมนิการมานั่ง ค, ค, คิดคิดคิดคิดลงคิดไปอยู่เรื่อยยังไม่รู้ตัวเลยดวงตาค่ะดวงตาช่วยชวยอธิบายอาการแบบคือเมื่อคืนที่แอบนั่งเนี่ยคือมันแช่มันแช่แบบเหมือนประมาณว่าเอาไปแช่กับ ตรงรู้แค่ลมหายใจแต่ว่าพอเหมือนความคิดอะไรก็ไม่ไม่ไม่ได้ไปนสนใจกับมันน่ะคืออัพอ่ะอัพคิดอย่างเงี้ยค่ะที่ที่อัพรู้อย่างเงี้ยค่ะอันนั้นเราแช่เลยเพราะาเราไม่เห็นความคิดไงเห็นจิติก่คิดเราเลยแช่เลยรู้แต่เราไม่ใจแล้วก็ใจสบาย <c oughs> แช่แล้วแช่จนป่วยนะเนี่ยเข้าใจเปล่าปะยังไม่เข้าใจเอ ก, อกนี่นึง น, นี่นึงตัด <c oughs> นยังไงอ่ะอืมอีกนิดยังไงคือแอบแช่ส่วนปลยอย่าเงี้ยเพราะว่าไอตอนที่แอปพยายามตามทำที่ตามหลงตาสอนนะคะคือแอบก็แอบก็ไม่ได้ไปยึดไปจับอะไรมันมากมายแต่ว่ามันก็ยังไปจับนิ่งสบายอยู่อีกเหะค่ะเราก็ไม่เห็นยึดเงี้ย ไม่เนี่มาเนจิตไ่เห็นจิก็ต้องมาจับอยู่แล้วบอกเสี้ยววินาทีเดียวไม่เห็นจิตทุกทกในใจน่นแสดงไปไปแช่แล้วไปจับไปจับอารมณ์นะมันเลยไม่เห็นจิตออย่างตอนเนี้ยค่ะคือตอนนี้มันดีขึ้นนะอ่าแต่ก็ยังไม่ถูกอีกอ่ะแต่ดีขึ้นแล้วเมื่อกี้มันแช่จมเลยแช่จมเหวเลยเมื่อกี้แช่จมเหวจนป่วยเลยแหละแต่เนี้ยเริ่มดีขึ้นแล้ะ ก็ไรกำลังคิดเปรียบเทียบคิดนั่งคิดนี่แล้วก็พอรู้บ้างเห็นบ้างแต่ตอนนี้ผิดคือยังหลงเอาตัวเองเป็นคนคิดอาความเข้าใจอย่างนี้เปล่านี่นะอย่างงี้ป่าเนี่ยรื้อตัวอย่างนี้รื้ อ, อย่างงี้รื้ อ, อย่างงั้นรื้ อ, อย่างงั้นเราลองเอาตัวเราเนี่ยไปเปน็นคนคิดประนี้มันผิดมันต้อง <c oughs> เป็นรู้เป็น ร, นรู้เป็นรู้เนี่ยมันคิดไม่ได้มันได้แต่รู้ว่าอาการนี้มันมัคิดคิดคิดคิคิดรู้เนี่ยมันคิดไม่ได้แต่เราเนี่ยไปเป็นคนคิดอยู่ <C ười> คิดหาเหตุผลทําความเข้าใจยอยู่คิดหาเหตุผลตำความเข้าใจยอยู่เห็นไหมเนี่ยเราเพื่อนก้าวเงเดียวได้พูดอมาพูดมาเดี๋ย ว, ย ว, ยวคนอื่นไม่รู้เรื่องเป็นไงรู้ไหมว่าเราเนี่ยกำลังหลงคิดอยู่เนี่ยหลงคิดอยู่ตอนนี้กาลังหลงคิดอยู่กําลังกำลังคิดอะไรอ่ะความวันในคําสันของตายอยู่ว่ะ เมืองาเราพูดแล้วเราเนี่ยกำลังประมวลผลคิดประมวลผลคิดหาความพอใจคิดอย่างเงี้ยมันก็เป็นคิดคิดคิดคิดคิดไปหมดเลยที่มันไม่เป็นรู้แั่เนี้ยคือรู้เนี่ยไม่ใช่ว่าไปรู้ละรู้ละเลยเราก็รู้ว่ามันกําลังคิดคิดคิดแต่ก็แค่รู้แก่รู้เงี้ยก็เหมือนกับว่าแต่ตายเห็นรูกมันต้องพยายามละอะไรแล้วก็เห็นรูกกันอยู่เนี่ยแต่ไม่ยึดก็คิดมันก็กิดกิดก็รู้คิดอยู่แต่ก็ไม่ไปยึดอะไรแด่แต่แค่รู้แค่รู้ อออบบบืผเดี๋ยวไปสอนก็ผิดเดี๋ยวเพิ่ไม่ได้รู้ระวางเลยรู้ระวางเลยเดี๋ยวผิด่ผิดเดี๋ยวเอาไม้ไปเอาไม้คนละตัวเอาความหมายที่ว่าผมว่ารู้ระวางหมายถึงว่าก็คือมันเกิดมันเกิดดับเกิดดับเนี่ยเร็วมากก็คือรู้แล้วก็ ที่หลวงตาพูดมารู้เห็นเห็นแล้วก็เออมันก็จบจบจบอยู่ตรงนั้นเห็นแล้วก็จบอยู่ตรงนั้นคือคือเราไม่ต้องไปปรุงไปแต่งไปอะไรให้มันแบบอะไรขึ้นมาก็คือเห็แล้วนี่มาที่หลังว่าเนี่ยหลวงเต๋ไม่ได้พูดไม่ได้ฟังตั้งแต่เราเราเราเราสอนโยมเนี่ยข้างหน้าหลงไปมาที่หลังเนี่ยรู้แล้วไม่ต้องไปปรุงแต่งอะไรรู้ระดับแล้วจบรู้ระดับเราจเพราะว่าเราไม่ความจริงมันไม่มีเราไม่มีตัวตนของเราอยู่แล้วแต่ว่ามันมันมีรู้โดยอริยตนะทั้งหกอริยตนะทั้งช่้หู้ากาย ก็คือมันรู้ก็คือมันรู้มันทําหน้าที่ของมันอยู่แล้วแต่มันมันรู้โดยที่เราเราเราก็ไม่มีตัวตนของเราอยู่แล้วว่าแต่มันมันมันมันรู้ขึ้นมามันรู้โดยโดยหน้าที่ของเจตนาของมันที่ทําเนี่ยทํางานผมหมายถึงอย่างเนี้ครับหลวงตาก็ผู้รู้มันไม่มีตัวตนไม่มีรูปร่างไม่มีไม่มีกิริยาการใดๆไม่มีตัวตนของผู้รู้แล้วมันจะไปดับอะไรได้อะไม่ไม่ไม่ถึงได้ไดับหรือจบได้คือคือผมะมารจะเปรียบเทียบผิดว่า เป็นดับแต่ว่าไม่ถึงว่ารู้แล้วกัน็ศักั์แต่ว่ารู้อย่างเงี้ยครับมันมันมันก็คือแล้วแล้วได้ได้ไดไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เอาตัวเราไปดับไปทําให้มันดับหรอกแต่ว่าไม่ใช่ที่เราบอกว่ารู้แล้วไม่ปรุงแต่งต่อรู้แล้วไม่ปรุงแต่งต่อมัน่ึงยังไงไม่ไม่ถึงว่าสมมุติว่าอ่าหลวงหลวงตาพูดมาปุ๊บผมก็คิดต่อเฮ้ยทาไมหลวงอันนี้คือมันเป็นการปรุงปรงไปต่อวะ คิดหาเหตุผลสมมุติว่าหลวงตาตอบกลับมาหาผมใช่ไหมครับผมก็คิดแล้วพี่ทําไมมันอย่างนี้อันนี้ก็คือมันกับมันก็คือเอาตัวเราเป็นตัวคิดเป็นตัวปรุงต่อแต่ถ้าหลวงตาพูดมาอ่าโอเคได้ยินได้ยินแล้วก็ได้ยินตรงนั้นก็คือจบก็คือคือไม่ถึงว่าเขาเขาเ ข, ข, ข, ข, ข้าใจตรงนั้นก็คือจบตรงนั้นบอบอบบอผิดผิดผิดิดอันนี้ปิดแลวเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยเด๋ยอเนี้ยนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเนี่ยต้องแก้ตรงนี้ต้องแก้ตรงนี้ต้องแกงี้แล้วก้าวหน้าเลย มันจะคนละเรื่องเลยเนี่ยตกเขาอยู่กับขึ้นเขาเนี่ยคนละเรื่องเลยมันจะผิดเนี่ยมันใครขนาดจิตเลยถ้าถ้าเข้าใจใหม่เนี่ยมันจะมันจะเปลี่ยนไปเลยอ่ะตอนเนี้ตกเขาอยู่มันจะขึ้นเขาเลยแต่ถ้ายังยืนอย่างเดิมเนี่ยมันจะตกเขาอยู่ไปเนี่ยไปอยู่ตีนเขาแล้วเน่ยเดี๋ยวผิดผิดผิดิดพอลงตาพูดเนี่ยเราก็เห็นแต่ลงตาใจไม่คิดอะไรต่อผิดนะอันเนี้ยคือในใจมันคิดต่อมันก็เป็นธรรมอารมณ์เป็นเรื่องของธรรมอารมณ์ ในใจมันไปคิดอะไรต่อมันก็เป็นเรื่องของธรรมอารมณ์ก็ได้แต่รู้ว่าเนี่ยในธรรมอารมณ์ที่ประตูใจมันก็เป็นรู้ที่ประตูใจก็รู้ที่ประตูใจรู้ธรรมอารมณ์เหมือนกับดอกตาเห็นรูปแต่ไม่ใช่ว่าพอตาเห็นหลวงตาแล้วเนี่ยมันไม่คิดไม่มันมันจบไม่ไม่คิดอะไรต่อเดี๋ยวหูได้ยินเสียงจบไม่ไม่คิดอะไรต่อไม่ใช่นะอันเนี้ยอันเนี้ยมันจะเออไม่ไม่ผมหมายถึงว่าเราไปปรุงเราต่อครับไม่ถึงว่าสมมติว่าหลวงตาพูดมาปุ๊บไม่ถึงเราก็ปรุงต่อแปลว่า ทำไมมันเป็นอย่างนั้นทำไมมันเป็นอย่างนี้คืออันนี้ก็คือมันมันก็คือเอาเอามันเหมือนกับทําตัวเราขึ้นมาแล้วก็ไปคิดเอออย่างแต่ว่านี่งานเดียวกอนคือแต่ถ้าแต่ถ้าหลงตาพูดอย่างนี้เออโอเคเข้าใจเข้าใจเลยแต่ส่วนส่วนร่างกายที่มันงุ้งยิ้งมันงุ้งยิ้งอะไรเนี่ยมันที่มันมันรวมกับเวทนาสัญญาสังขารที่มันไปรวมกันตรงนั้นก็คือมันก็ทําหน้าที่ของมันไปแล้วก็มีหน้าที่แค่รู้ของมันของเราอย่างนั้เพราะว่ามันก็ต้องปรุงอยู่แล้วเพราะว่า หลวงตาก็พูดพูดใช่ไหมว่ามันก็จะคือมันมารวมกับเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันก็ยิ่งของมันไปส่วนวิญญาณที่มันเป็นตัวรู้ก็คืออจตนาทั้งห้าที่มันรู้ก็คือมันก็ทําหน้าที่ของมันรู้ได้ยินเสียงร้อนเย็นอ่อนแข็งอะไรพวกนี้มันก็ทําหน้าที่ของมันไปพร้อมๆกันอยู่แล้วออืแล้วก็มีหน้าที่รู้ของเราคือมันไม่มีเรารู้หรอกแต่ว่ามันมีรู้อยู่เพราะโดยหน้าที่ของวิญญาณเออ เข้าใจอยู่ครับอาจะรู้ตาแต่ว่าส่วนมันส่วนมันมันมันมันทําตรงนี้รู้ปุ๊บโอเคแหละมันมันไม่ได้อยู่ที่รู้อยู่แล้วมันก็ด้วยวิญญาณทั้งห้าทั้งอริยธรรทั้งห้าที่มันทําหน้าที่ของมันก็คือมันก็ปรุงมันก็มารวมกับเวทนาสัญญาสังขารมันก็งุงยิงงุิ้งอะไรของมันมันก็ทํางานของมันอยู่แล้วที่มันจะผสมกันแล้วมันก็ทําของมันแต่ว่าเราก็เออรู้แล้วก็ดูของมันมันเหมือนเราเป็นผู้ดูมากกว่า ดูดูมันมันคุยกันดูอะไรประมาณนี้มันพูดได้เหมือนถูกหมดเลยเว้ยแต่ข้างในใจเนี่ยแบบข้างในใจเป็นดิ้นรนไปค้นหาไปเหตุผลนะหาเหตุผลนะประมวลผลเลยไม่ไม่ผมผมที่ที่อธิบายหาเหตุผลเพราะว่าการอธิบายให้คอยู่ได้น่ตอนที่หยุดแม้แต่ไม่ไม่พูดแต่ข้างในอประมวลผลไปเป็นตัวประมวลผลเป็นตัวคิดอยู่อะโครงแต่งไม่เป็นรู้อะหน้าขณะจิตเนี้ยยังเป็นยังไป็นเป็นตัวคิดอยู่เลยอ่ะ เป็นตัวประมวลผลเนี่ยไม่เป็นรู้นะไม่ไม่เห็นว่าไอ้ตัวประมวลผลตัวคํำกเข้าใจตัวตัวเข้าใจเข้าใจตัวประมวลผลเนี่ยไอ้ตัวนี้เป็นธรรมารม์เราไม่เห็นว่ามันเป็นธรรมารมเนี่ยเราเราก็เอาตัวเราไปมวลผลเนี่ยเข้าใจเข้าใจอย่างงี้เลยเราก็ใจถูกเข้าใจถูกเข้าใจถูกอันเนี้ยเราก็พูดแล้วก็เออลุงตาไม่เดี๋ยวเดี๋ยวลุงตากับไม่ไม่เข้าใจตรงที่เราต้องการให้เราพูดเราเข้าใจเข้าใจลุงตาไม่เข้าใจตรงที่เราพูดเนี่มันข้างในมันคิดอยู่เนี่ยเราเห็นเนี่ย แล้วเนี่ยเราไปเป็นคนคิดอยู่แล้วเราก็บอกว่าอันนี้ที่เราพูดเนี่ยแต่เวลาในใจเราเป็นน่ยมันไม่เหมือนที่เราพูดไม่ไม่ถึงว่าเวลาอธิบายครับมันก็คือมันเหมือนกับว่าร่างกายมันก็เหมือนกับว่าที่จะพยายามคือชุดเดียวเดียวหลงตาไม่เข้าใจที่ที่ที่เราไม่จรงไม่ต้องหรอกเราไม่ได้ดูที่เจ้าพูดหรอกเราดูในใจของเจ้าเนี่ยมันไม่เหมือนที่เจ้าพูดทั้งงานผมก็ไม่พูดนะครับก็ไม่พูดแต่ข้างในมันจะปรุงอยู่นี่ค่แม้แต่จะไม่พูดเนี่ยไม่ต่วางหมายไปพูดแต่ข้างในเนี่ยมันปรุงอยู่ มันปรุงแล้วเราไปเป็นคนปรุงไม่เป็นได้เป็นผู้รู้ไม่ได้เป็นรู้แต่ไปเป็นปรุงเนี่ยๆๆข้างในท่าก็ยังนั่นอยู่เลยเนี่ยอ่งอ่างอางอ่างอางองอา่งองงไปเป็นคนี่เป็นคนปรุงอยู่เนี่ยไม่เป็นไม่เป็นว่าไม่เอาไอ้ที่ปรุงเนี่ยเป็นธรรมารมเลย